คงจะไม่ได้ประชุมกันว่ากวันนี้ไม่ต้องลขึ้นมาอีกหรอกพอเวียนเทียนแล้วก็ไปเลยไม่ต้องขึ้นมาอีกถ้าะไฟไม่ไม่มีไม่เห็นตนาเห็นตากันท่างจะลําบากด้วยจะลำบากในการเปียกเพราะฝนตกไฟมันก็ชอ็อตหรือมันขาดไปไหนนะเออเป็นวันเซ ตรงกับวันพระบรมศาสดราเกิดประสูติทัรูรุปรินนพพาเป็นสังเวสนิยสถานสิ่งที่ควรและถึงเพื่อเป็นธรรมสังเวชเป็นกามาภาาัชรภุศลส่วนปฏิบัติบูชาเราจะทิ้งไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องปฏิบัติ คือหลอกไหว้ทุบเทียนของเราเพราะมันมีมาแล้วส่วนปฏิบัติบูชาแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วก็ปฏิบัติบูชาบูชาจะบูชนียานั้นบูชาในพระพุทธธรรมประสงค์มันเป็นยอดบูชาทั้งหลายบูชาอื่นทั้งนั้นลาชคณะบูชาก็ไม่เท่าบูชาพราะพระพุทธธรรมประสงค์มีหลอกไหว้ทุบเทียนและปฏิบัติบูชาครอบทั้งสองอย่างด้วยเรียกว่าบูชาจะบูชนียานั้น เอตมังฆามุตตังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาในสิ่งที่ควรบูชาก็คือบูชาพระพุทธธรรมพระสงค์คนปู่คนย่าคนตาคนยายเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วคุณท่านทุกคนคุณพระมหาการัตถะธรรมนวลตลอดถึงทอดทางแต่โลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเมืองขึ้นของคุณพระนรพลไปรวมคิวกันอยู่ที่พระเนรพล ซึ่งเป็นคุณอันไม่เกิดไม่ดับเป็นมหาอันันทคุณเหมือนแม่เกิดไม่ดับกุฏิไ่หายปลอดภัยไหมดุลมออกไปปรงนี้แล้วก็สวดมนต์จกชิบสองตำนานแล้วเก่งลมจะเอากุฏิไปมหาสมัยสมุดอีกด้วยสวดกับนับนับนับวันนี้เวลาฝนตกชิบสองตำนานสวดจบเลยนับนับับอยู่คนเดียว มหาสมัยสูตรอีกอนัตตะกนาสูตรอีกอธิตะปริยัยาสูตรอีกสิบสองตำนานย่างพิสารเลยตลอจถึงสี้ยิตฐิตลอดถึงวิปัสสิต ย, ย่างพิสดารแล้วสวดยบวัวันนี้สวดคนเดียวนับกรับครับครครับเราเกรงว่าจะเป็นอันตรายสวดอยู่ที่กุดนับหนับหนับหนับหนึประมาณครึ่งชั่วโมง จบวัดวันนี้มันต้องหนักในภาวนาวันนี้กรรมาฐานของใครของมันเคยกรรมาฐานอันใดก็จับกรรมาฐานอันนั้นไว้ในปัจจุบันของใครของมันฐานะแปลว่าที่ตั้งแห่งการทําความเพีย่ยนมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์พระพุทธพระธรรมพระสงค์ก็ลงรวมอยู่ที่เป้าที่เราหมายไว้กรรมาฐานเราตั้งไว้ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงค์ก็รวมอยูล่ลงที่นั้น แปดมื่สี่พระธรรมขันธ์ก็รวมโยงอยู่ที่นั่นที่เป้าที่เราตั้งไว้นะมาแล้วทีนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่งถ้าจะนั้นก็ไฟไม้พอสิมันไม่อยู่ตามประสงค์ของเราไม่อันหนึ่งก็ต้องอันหนึ่งนะใครสมประสงค์ในโลกอันนี้ไม่มีใครสมประสงค์สมประสงค์แต่พระหันธ์จำพวกเดียวนะเ ห, นหลืออย่างนั้นขาดขาดเว้นๆอยู่นัสวดาวัน ก็ตั้งหน้าจะใกล้สมประสงแล้วเป็นลำดับไปจนถึงสักคาคามีอนาคามีส่วนพระทหารเต็มความประสงแล้วเต็มภูมิแล้วไม่มีอะไรจะต้องการอีกถ้าอ่านั้นพวกเราเตรียมตัวพระมามดแล้วกหรือยังอะชีวิตของเรามันก็เสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมหา้ใจเข้าไม่ออกก็อบอกว่าตายหา้ใจออกไม่เข้าก็เล่าว่าตายตามสมมติ พระบรมศาสดาบอกให้พิจารณาความตายรครอบครองลมหายใจเข้าออกกิ่งดีพระอานนท์พิจารณาวันละร้อยครั้งก็บอกว่าประมาณอยู่ทาไมจึงมาเกิดก็เ พ, เพราะยังไม่พ้นจากกิเลสก็ต้องมาเกิดเพราะเป็นนี่ตนเองใช่นี่ยังไม่จบพระอารหันต์ใช่นี่เจ้าของจบแล้วเกิดชาติใหม่คืออริยชาติอย่างเต็มภูมิ พวเราก็เป็นนี้เจ้าของยืนเดินนั่งนอนรับตื่นเป็นนี้เจ้าของนึกคิดก็เป็นนี้เจ้าของเพรายังไม่พ้นจากกิเลสถ้าพ้นจากกิเลสแล้วเข้าใจนี้ยบชัพย์ทั้งหลายท่องเที่ยวในวัดทรา่าท่องสารก็ท่องเที่ยวไปตามกรรมและผลของกรรมของตนที่ทําไว้อยู่ก็อยู่ตามกรรมไปก็ไปตามกรรมนึกก็นึกตามกรรมนอนก็นอนตามกรรมและผะของกรรมชัพย์ทั้งหลายอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรม กามุนาวัตติโลโก้ท่นโลกตั้มย่อกเป็นไปตามกรรมส่วนพระทหารท่านไม่ได้ไปตามกรรมเสียแล้วเพราะท่านอยู่เนือกรรมแล้วแต่พวกเราต้องไปตามกรรมเมื่อยังไม่พ้นแต่ไปตามกุศลกรรมผู้ที่สร้างบาปก็ไปตามเอากุศลกรรมผู้ที่สร้างบุญก็ไปตามกุศลกรรมยาเสพติดบาปก็เป็นยาเสพติดบุญก็เป็นยาเสพติด ส่วนพระอรหันต์ไม่มียาเสพติดท่านพ้นไปแล้วแต่เป็นยาเสพติดทางบุญผู้ที่สร้างบารมีเพื่อจะนีิสงสารพวกมันได้สร้างบารมีเขายาเสพติดทางบาปจิตใจนึกคิดเหมือนกันนึกคิดก็คือยาเสพติดพระอรหันต์ท่านนึกคิดท่านมันเป็นยาเสพติดเมืท่านพ้นไปจากกิเลสทั้งพวงแล้วบุญก็พ้นไปแล้วบาปก็พ้นไปแล้วแต่เรายังไม่พน้น ไม่หรอกเะี่ย ชื่อว่าชื่อว่า Hana, hana, hana. k ระพิรุณทิ้งการุณมาเสีย สาิเลนดาบุโยสาปปานินาสาธนังแคปมุตตมะอาตมาลสสทย์ธานังวันรามิตังสิเรนังบุตรทัดจาสิมิราโซอามุตมสัมิสิสาร ท่าใจใจมีท่าใจใจทัศน์เมื่อท่าใจมีอันเองมีสัตว์อันชีวิตันชีระวันันโตห่างไกลสามีเอท่าแวัสุโอดีตัง อาทิตมีสานังอันงบุตโตมีสารนังอัรยังเอตนะสัตวะเจนะอัตถยาสัตว์สัสนีบุถังอวันอามานีนะยังคุณยังปัจุบังอิทา อาเมติอันตะไออาเมมเฮสุงตาสตชาสา ยัเข้มนุษัตนยัจกรด้วเสภะวะตามแสนิจโกอภัยโกเอีัสสโกโมปัญญิโกัจจังเวริตาบุญโย ธรรมะปีตงการุมาเนิุยนวะะสอสยโยนิยมุโเรุมโุโกาประตาลิตาลิ วานินสัมพนเกวัมุตตายานเศริตาดังวามิตังสิเรนมสาหัสมธมมสาิสรธม อาตาจักนิพพา n เหตุนิพพานมธรรมสหนิยานิตริยัญชีตันชิดัวันันโตหังเกิดสามีธรมเจวัดคธรรมะตังนินิสารนองัญญา อัมโมเมสารนังวะรังเอเทัสสัจวัชเชนัตเทียสัจตุสาสิเอธรัมเมวันอมานีนยาคุณยาณปัจตังอิทาอาเิติอันตารายามม มาเฮซองแต่สติัตว์อ๊า นบิยังสังฆานุสตินนยันจักโรมาเสอเทันโวภา ป่าวาลัสยากายจิตตัวานนาหังกามียาขันธสุธาสังโขโยสัพปะปานีนังสารังเขวมุตตะมัตาจยาจุจติธาตังวันนามิตังสเรระ สังขสหสมิดาโชอาสังโฆมิตาอิจิสรูสังโฆโลขัดสากาจัจจสาจัจจีตจามสังขสหมียาดิมีจารีอันจิมิตันชิดา ดันโตฮั่งใจสาลีรักษาสัจจพันธะนาทิมีสารณนางอันยังปังคูมีสารนางวะรังเอสวะเชนวเทนัสตุสัจด พระคัมีรวันธรรมะนี้นยังคุณยังฝึกตั้งอิท่าสาเมติอันตรายอาเมมาเหตุเครงตัสติชสาสั นีพพพ่พวกเราไม่ต้องยื น, นพเพราะเหตุว่าพระพุทธรูปอยู่ต่ำพวกเราไม่ต้องยืนต้องนั่งพับเพียบเอาพระพุทธรูปแท่นพระพุทธรูปอยู่ต่ำถ้าเรายืนมันสูงเกินไปเราก็นั่งพับเพียบอยู่ตามธรรมดาพอพิ น, น้าเข้าสู่พระพุทธรูปที่นี่ไปทากราบบูชาให้ว่าตามเราทั้งหลาย ได้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลายและเราทั้งหลายชอบใจในธรรม ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้ น, น, นได้เสด็จอุบัติขึ้นในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะในมัชชิมะชนบ ท, นนบทพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ โดยพระชาติเป็นพระโคดมโดยพระโคด ท, ทรงเป็นกษัตริย์ศัก ย, กยบุตรเสด็จออกทรงผนวดจากศักยสกุลได้ตรัสสร้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโล ก, โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโล ก, โลกปรมมโล ก, ใ น, โลกในหมูสหม่สัตว์ทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งเทวด า, วดาและมนุษย์ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นองค์พระอระหันต์เป็นผู้ตัดสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชาแระจรณนะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีรถผู้ฝึกบุรุ ษ, รษที่ควรฝึกได้ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่ า, วาทรงเป็นพระบรม มัสาจดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นผู้ทรงสิริโสภาคอย่างไม่ต้องสงสัยอันหนึ่งพระธรรมคือ พระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาปฏิบัติ เป็นธรรมที่รรทวินยูช น, น, ชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อยายยธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรพระสงฆ์สาวกนี้สสเมื่อนับเป็นคู่สสคได้สี่คู่คนับเป็นบุคคลสสคได้แปดนี้คือพระสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่ของคํานับเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของทาบุ ญ, เ ป, บญเป็นผู้ควรประนมเมรหวายเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบนอื่นใดยิ่งไปกว่าพระพุทธปฏิมานี้ในเมื่อได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยยาณทัศนะบัดนี้ ถึงวันวิสาขปุณมีซึ่งถือกันว่าเป็นวันประสูติวันตรัสสรู้และวันเสด็จดับขันทัปปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วเราทั้งหลาย จึงมาประชุมพร้อมกันณที่นี้ได้ถือเครื่องสักการะบูชามีเทียนธูปเป็นต้นทำกายของตนให้เป็นดัง่งภาชนะรองรับเครื่องสักการะบูชา น้อมระลึกถึงพระคุณตามที่เป็นจริงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจักกระทำประทักษิณพุทธปฏิมานี้สามรอบถวายสักการะบูชา แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องส ก, การะบูชาตามที่ถือไว้นี้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้จะเสด็จดับขัน ปปรินิพานไปนานนักแล้วแต่ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุ ณ, คณซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายรารทราบได้โดยเป็นอติตารมขอได้ทรงอนุเคราะห์รับเครื่องส ก, การะบูชา ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือบูชาอยู่นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินเข้าปฏิบัติเพื่อบรรทุกเรวัตตาสงสารในปัญหาเ่อไรเลยเด้อ เาปฏิบัติเพื่ออะรเพื่อหมันกับปัญหาหลายเลยปฏิบัติเพื่ออามิตปฏิบัติเพื่ อ, อน่ะนี่ยุงหลายอ๋อปฏิบัติเพื่อผนทุกนวัตช้างทุกสารกับชุ่งหลายเลยทรั ส, สมบัติพัฒถานิสงไม่น้อยกสร้างสิ่งไม่ไรกับตามมันก็เกิดไมจากธาตุดินนะแตกมันกับแต่เราะธาตุไสธาตุดินธาตุน้ำธ า, า, า, าตุไฟธาตุลมนะโตห้องเฮ้าที่ส ม, มุทรราเฮ้า มันก็ออกมาจากธาตุนน้ำไผ่ร่มอัญชวนรูปขันอัญชวนน้ำขันกับเวททนาทนา่ท า, าน่ญญญาสังขาเวทญ่านก็เป็นน้ำขันสิ่งของของเหาที่เห่าสังนนไส้เป็นผ้าพอนท้อนสบายกด็ดีเป็นเขาเป็นน้ำเป็นอาหารเป็นพัดวัดสดุปของเห่าค่ะแต่อออกมาจากเดินน้ำไผ่ร่มนี่แหละมันแตกไปมันก็ไปแตกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟ่เป็นรมแลสมบัติพัฒนามีหลายแบบนะเห่หา ก, กับประตื่นเนีมันอยู่แต่อำนาจอันนี้จังเมื่อคื น, คน ก, ก็กระเพรา ป, ปวนและแตกสลาย สีไม่หน่อยเขากับบัตื่นสีไม่หลายเขากับบัตื่นนี่ใส่ห่อเขานอมลงใส่ธาตุดินหน้ําไฟร่มละ่ะดินแต่ไปเป็นดินหนา้าแต่ไปเป็นนา้าไฟแต่ไปเป็นไฟร่มแต่ก็เป็นร่มใน้ใจโลกธาตุเนี่ยเขาก็มีแน่วัฏจักรนี่ยังแย่แนวเลยเขาอัติจักรแต่ผู้พันผลจา ก, กเกลี่ะผู้พันผลจา ก, กเกลียดเขาอัจิจักรด้ออันวัดถุสมวัติสิ่งของมันเกิดมาจากธาตุดินหนา้าไฟร่มพอแดงออกมาจากหัน แม่ตัวห้องเห่ากับมันถาดดินน้าไฟร่มมันถาดดินน้าไฟร่มโตถาดดินน้าไฟร่มสะไปหวงกันเห็ุนี้ไล้มันยังสิวแม่กับซ้ําเดียวกันท่นน่ะโตห้องเห่ากับสมมติว่าถาดดินน้าไฟร่มของห้องเห่สมมติขึ้นนี่สเส้นรถยังสี่ของมันตอนไหมันแข็งเห่าก็เรียกว่าถาดดินถาดน้ำกับมันน้ามันถาดไฟกับมันไฟถาดร่มกับมันล่ม พัดไปพับมาของมันดินแต่ไปไปดินน้าแตะไปไปน้าไฟแตะไปไปไฟร่มแตะไปไปร่มดินนุลดินน้ำนุลน้าไฟนุนไฟร่มนวลร่มข้าวกินอาหารเนี่ยข้าวกะเพิ่มถาดดินอู้ข้ากินน้ำกะเพิ่มถาดน้ำข้าหอมผาหอมแพร่กะเพิ่มถาดไฟข้าหายใจคาออกกะเพิ่มถาดร่มเน่่วนท่าทําดีฮะเนี่ยข้าวกะเพิ่มกุศลถาส่วนจิตใจข้าทําโซ่กับ เพิ่มอคุศนธาเรียกว่าห่อทําดีก็เรียกว่าเพิ่มบุญบุญบวกบุญเยอะใจห่อทําซัวก็เรียกว่าบาบวกบาบเยอใจว่ได้แบบบวกวันอื่นเนี่ยก็มีเท่านั้นทัพย์ทุกยันลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันทรัพย์ทุกยันลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันหนึ่งทุกห่อไปยูทายอยู่ห่าไปนับเม็ดหินเม็ดทรายเล่าให้หลวงพู่เทศถวายหลวงพุทธหลวงพุทธหัวละพิบ่าวเลยพิบ่า เขานับเป็ถีบเป็นท่ายวกก น, นวาาสันไทอมมหาสมุทรนี่มากษตริย์ดีบนับเปถีปท่า ย, ยังไงมาสันร่มละเอียดเข้าไปแลยน่ากบว่ามัธยมยังไงาสันแนวของแข้งนับน่งเป็นลุงนับในภาษามาคดกันเอกะพัทธเธาตหนึ่งดินเอกะอาโปธาตหนึ่งน้ำนเอกะวยโอธาต์หนึ่งลมเอกะเตโชธาต์หนึ่งไฟ ไปนับหนึ่งสองสามเน่อสงไขยอสงขยพูนับกับพีบาขึ้นกันู้เป็นกรรมการกับพีบาขึ้อกันว่าท่านเฮานับเป็นไฟสังโหเว่าท่นว่าเฮามีกิเลสเต็มไปท่แผ่นดินเขาการนับได้ว่าท่นมันพนับจังสีว่า่นมาฐานบุตรนับเป็นทินเม็ชาอิมหาสมุทได้นับเป็นแดดเป็นลมเป็นฝนได้พูดนับเป็นสังขระโห่สังขะหานัยสังขโหอสังขโหเทีว่าท่นสังขโหแปลว่าสองข้อลงเป็นหนึ่งอสังขโหไม่สองข้อ ข้ามีกเลเยิเต็ไปทั้งแผ่นพืนเ่ากับนับได้ัตวตัวขาวบ่มีกีเลตเท่าจะเก้งกน็นีว่าสัว์าว่างสวหนึน่งดินหนึ่งน้ํานึงไฟนึ่งลมเลยนน้อยนับ็นลุกพรแม่มุจารนว่าโอ้ยพิบ่าอ้ว่าสัตวตม่งันดูได้เหรอเนาะว่าสัตวว่าพิบากับมันนับได้ยุว่าสั์เป็นรว่าูเทิดเพื่อนหัวเราะเอ้าเดี๋ยวนี้ข้าวมยัง น, นับถือเก่าอยู่นับเป็นดินเม็ดนับเ ลักษณะอันใดที่เป็นแข็งแข็งก็นับลงในธาตุดินซักลักษณะอันใดที่เอืบอาบที่ชื้นซาบก็นับลงในเออาโปธาตุสะกหนึ่งธาตุน้ําลักษณะอันใดที่พัดไปมาก็นับเป็นไอยโอธาตุสะกหนึ่งลมลักษณะอันใดที่เป็นร้อนมีธาตุเป็นธาตร้อนก็นับเอกเตโชธาตุหนึ่งไฟ ข้อปฏิบัติเพื่อผนทุกนายวัตถุสงสารเนี่ยปัญหา่หลายเลยให้ปฏิบัติเพื่อลับพื่นมันก็ปัญหาหลายเลยปฏิบัติเพื่ออามิตปฏิบัติเพื่อน่ะนี่ยุ่งหลายอ๋อปฏิบัติเพื่อผนทุกนาวตถสงสารก็บยุ่งหลายเลยทรัพสมบัติพัฒาานเสีไม่น้อยกับตังเสีไม่ร้ายก็ตามมันก็เกิดมาจากธาตุดินนะแตกมันกัแตกไปธาตุไสธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ตัวของเห่าที่สมมุติราเห่ามันก็ออกมาจากธาตุดินน้ามไฟร่มอัญชวนลูกขันอัญชันหน้าขันกับเวทนนาทัานหนาทังขานเป็นยานก็เป็นน้าขันนสิ่งของของเห่าที่เห่าสังวนใส่เป็นผพาพรทอนสบายก็ดีเป็นเขาเป็นหน้าเป็นอาหารเป็นพัดวัดสรุของเห่าค่ะแต่อออกมาจากดินหน้าไฟร่มอะมันแตกไปมันก็ไปแตกไปเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นร่มนะสมบัติพระธาลันสิ่งไม่ร้ายแบบในเห่ากับประตูนี่มันอยู่แต่อํานาจอันนี้จัง คือกาแฟปวนและแตกสลายสีไม่หน่อยห่อกบรบ่อตื่นสีไม่หลายเ่ากบรบื้อตื่นนี่สัยห่ขอขอน้องร่มใส่ถาดดินนา้าไฟร่มละดินแตกไปเป็นดินน้าแตกไปเป็นนา้ไปปนนาไฟแตกไปเป็นไฟร่มแตกไปเป็นร่มไต้ใจดวถาดเนี่ยห้องวุแน่วัฏจั๋งนี่ยังแย่แนวเลยห้องอัฏจั๋แต่ผ้พ่นพ่นกาคีเละผุพ่นพ้นจา ก, กีเนะผลศห้นะองอัฏจั๋งเลยอันวัดถุสมบัติสิ่งของมันเกิดมาจากถาดดินนา้าไฟร่ม พอแดงออกมาจากขันแม่ตัวห้องเห่ากับมันถาดดินน้ําไฟรมมันถาดดินน้ำไฟร่มต่อถาดดินน้ําไฟร่มสะไปห่วงกันเห็ุใดแล้วมันยังสิวแม่กับซ้ําเดียวกันทันเนี่ยโตห้องเห่ากับสมมติว่าถาดดินน้ําไฟร่มของ้องเห่าที่สมมติขึ้นนี่สเส้นรถจังสีของมันอตอนไหมันแข็งเห่าก็เรียกว่าถาดดินถาดน้ำกับมันน้ามันถาดไฟกับมันไฟถาดร่มกับมันร่ม พัดไปพะมะเข้ามันดินแตกไปเปดินน้าแตกไปเป็นน้ำไฟแตกไปเป็นไฟร่มแตกไปเป็นร่มดินนุนดินน้ำนุนน้าไฟนุนไฟร่มนวลร่มเขากินอาหารเนี่ยเขาก็เพิ่มธาตุดินเขากินน้าก็เพิ่มธาตุน้าเขาหฮมผาหฮมแพร่ก็เพิ่มธาตุไฟเขาหายใจเคาออกก็เพิ่มธาตุร่มเนี่ย่วนท่าทําดีฮะเนี่ยเขาก็เพิ่มกุศลธาตส่วนจิตใจ ห้าท่ำซ anyway ัวกับเพิ่มอกุศลถะเรียกว่าข้าวท่ำดีกัเรียกว่าเพิ่มบุญบุญบวกบุญเยอะใจห้าท่ำซัวกับเรียกว่าบาบบวกบาบเยอะใจเพ้าะได้ไปบวกคนอื่นนี่ยก็ไม่เท่านั้นถ้าปทุกย้อนลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันถ้าปทุกย้อนลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันหนึ่งทุกข้าไปยูทายอยู่ข้าไปนับเม็ดหินเม็ดทรายเล่าให้หลวงพูทเทศถวายหลวงพู่เทศหลวงพุเทศหัวละผีบ้าะไรไปว่า เขานับเป็นถีเม็นท่ารกวกกน้ามาสนในทอมหาสมุทรนี่มาพระชาดีวดนับเป็นถีเป็นท่า ย, ยังไงมาสันร่มละเอียดเข้าไปแล้วนากับว่ามัธมอย่างนี้มาสันแนวของแข็งนับน่งเป็นลกงข้นับในภาษามาโครก์เอกะพทธเธาต์หนึ่งดินเอกะอาโปธาต์หนึ่งน้ำเอกะไบยโยธาต์หนึ่งลมเอกะเตโชธาต์หนึ่งไฟ ไปนับหนึ่งสองสามเนอสงขสงไขผู้นับกับพิบ่าขึ้นกันผู้เป็นกรรมการกับพิบาขึ้กันว่า่นเอานับเป็นไฟั้งกโโห่ด้ว่าท่นโอ้ยเฮามีกิเลสเต็มเพลิดเพดินด้เขาก็รนับได้ว่าท่นมันพนับจังสีว่า่นะสารีบุนับเป็นทีเป็นท่าจะสอมหาสมุทได้นับเป็นแดดเป็นลมเป็นฝนได้พนับเป็นสังฆโหสังฆหานสังฆโหอสังฆโหด้ว่าท่นสังฆโหแปลว่าสองขะลงเป็นหนึ่งอสังฆโหไม่สองขะ ข้าวมีกิเลตด้วยเต็มไม่คาพื้นดินเท่ากับนับได้สัวตัวข้าวบ่มีกีเลตเทาจะเก่งคนหนี้วัดสัตววารวาสัว์เนื่องดินเนื่องน้่งไฟเนื่งลมเล่ห์คนน้อยนับเป็นัตว์เลลุกพแม่ขจารว่าโอ้ยพ่บ่าวอ้ว่าสัตวแต่ไม่งั้นดูได้เหรอเนาะว่าสัตวว่าพ่บากมันนับได้อยู่ว่าสัเนรโลกุเทศเฟินหัวเลาะเอาเดี๋ยวนี้ข้ากันยังนับเถอเก่าอยู่นับดินเม็ดนับเม็ดไฟเม็ดลมเม็ด ลักษณะอันใดที่เป็นแข็งแข็งก็นับลงในธาตุดินซักลักษณะอันใดที่เอืบอาบที่ซึมซาบก็นับลงในเออาโปธาตุสะกหนึ่งธาตุน้ําลักษณะอันใดที่พัดไปมาก็นับเป็นไวยโยธาตุสะกหนึ่งลมลักษณะอันใดที่เป็นรอ้อนมีธาตุเป็นธาตรอ้อนก็นับเอกเตโชธาตุหนึ่งไฟ ความรู้ ใ, ในทางพระพุทธศาสนาไม่มีท่านผู้ใดจะจองขาดไว้เหตุฉะนั้นปฏิสัมพิทาสี่จึงมีในพระพุทธศาสนาเขาก็บอกว่ามันมาในพระใจพิดกไหมในหน้าไหนก็มาในปฏิสัมพิทาสี่ิไม่มีขอบเขตบุคคลผู้ปฏิบัติก็สามารถรู้ได้ตามสติกาลังของตนเพราะปฏิสัมพิทาสี่มีแล้วอัฏฐปฏิสัมพิทาแต่ช้นอ ธรรมะปฏิสัมพันธ์แตกฉ้าเนี่ยทนิรุตติปฏิสัมพิทธ์แตกในนิรุตติปฏิทานผ่านปฏิสัมพิทา์แตกฉ้านในปฏิทานโลหารโลหารก็คือโบหร น, นั่นเองก็คือหานลงมาในปัจจุบันนั่นเองนั่นถ้าสมมติยื่นลงมาหาเอกะสมมติในปัจจุบันจับกรรมฐานในปัจจุบันได้แล้วตีขยายออกทั่วทั้งตจโลกธาตุได้ถ้าจับปัจจุบันมาอยู่เรียวกว่าทับแตก เรียกว่า น, นุ่นปลิวไปตามลมนั่นแข็งท่าพอใจและไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพี้ยนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสาหมันติต้องพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งเหลี่ยมสัยนนั่ น, น, นระคือทำเป็นกำลังห้าอย่างศรัท ธ, ธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้ แลสติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่ที่แห่งเดียวกันนั่นทอดชงเกตสติความระลึกได้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ธมวิจยะสอดส่องทำในกรรมฐานที่ตั้งไว้เริยะเพียในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปีติความอิ่มใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัตติสงบใจและอารมณ์ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิความตั้งแกมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ อุเบกขาความวางเขยในกรรมฐานที่ทั้งไวนั่นนั่นนั่นนก็อยู่ที่แห่งเดียวกันถ้าอยู่คนละมุมโลกน่ะไม่ถูกละนะ่นสิ้นก็ตัดสินลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นเอาเนื่องปัจจุบันปัญญารอบโลกในปัจจุบันศิญญนจจ้นท่นไหนก็ตามสมาธิท่านไหนก็ตามปัญญาท่านไหนก็ตามก็ต้องกลมกลื่นตันในปัจจุบันถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครขึ้นความสงสัยเหตุฉะนั้นพระบรมศาสตราจึงยืนยันว่า ปัจุปันเจโยธรรมังบุคคลผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นหมางอนแง้ง่ครอนแครนแลนะอดีตต่างนานวาเมือเมื่อยะผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่เรื่องมาแล้วมาคล้องอยู่ในใจอปตตันเจอนาคาตังบุคคลไม่ต้องหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงปัจจุบป น, นันเจโยธรรมัง บุคคลผู้ใดเห็นทำในปัจจุบันผู้นั้นแหละไม่งอนแงนคอนแคลนในทางพุทธศาสนาผู้นั้นจะไม่สงสัยพระพุทธศาสนาด้วยผู้นั้นจะไม่สงสัยตนด้วยผู้นั้นจะไม่กล่าวตู่ตนด้วยผู้นั้นจะสิ้นความสงสัยด้วยผู้นั้นจะเดินมั่งถูกด้วยเอกมักคคุทธก์ยศลงมาหาในปัจจุบันสถิติประฐานสี่กายานุปัฏนาพิจารณ์กายในปัจจุบันเวทนาในนุปัฏนาพิจารณาเวทนาในปัจจุบัน จิตตานุปัฏฐานาพิจารณาจิตในปัจจุบันธรรมานุปัฏฐนาพิจารณาธรรมในปัจจุบันกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเป็นเชือกสี่เกลียวรวมลงในปัจจุบันทั้งนั้นนั่นนั่นพิจารนากายเป็นอารมณ์ว่ากายนีก่ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ บ, บุคคลตัวตนเราเขาเปลี่ยนเพียงกา ย, ยานุปัฏฐนาคือในปัจจุบันนั่นเองในปั้วปัจจุบันที่เราเพ่งเงินนั่นเอง พิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนาพัฒนาในปัจจุบันนั้นพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตานุพัฒนาในปัจจุบันนั้นพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน อดีตคืออะไรก็คือค like, no ือทางหางปลาอนาคตคืออะไรคือทางหัวปลาปัจจุบันก็คือตรงภูิของปลานั่นเองพระวรมศาสนาจยืนยันว่าผู้ใดรู้อดีตผู้ใดรู้อนาคตผู้ใดรู้ปัจจุบันผู้ใดรู้เบื้องบนคืออนาคตผู้ใดรู้เบื้องต่ำคืออดีตผู้ใดรู้ท่ามกลางในปัจจุบันตามเป็นจริงแล้วผู้นั้นไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันแล้ว ท่านผู้นั้นข้ามโลกไปแล้วนั่นนั่นนั่นนั่นเขาซับเนื้อซับป่าคืออะไเขาเอามาท่อนไว้เขียงหันเขาก็ะซับยังในเขียงหันซับให้ว่าถือเขียงหันช่างเล็กแต่ส่นช่างเล็กก็เหมือนกันจะตีเหล็กก็ต้องตีให้ถูกหน้าทั่งจะตีค่อยตีแรงก็ต้องตีตให้ถูกหน้าทั้งฉันอะไรก็ดีจะภาวนาอะไรก็ให้อยู่ในรักปัจจุบันนะนะนะเอาปัจจุบันเป็นตัวประกัน มีทั้งเขาด้วยมีทั้งหนังด้วยอดีตมันล่วงไปแล้วถ้าดีมันก็ดีไปแล้วถ้าชั่วมันก็ชั่วไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้อนาคตดีก็ยังไม่สันดีชั่วก็ยังไม่สันชั่วปัจจุบันนั่นเองจะทําให้ดีให้ชั่วได้เหตุฉะนั้นท่านจึงสรรเสริญปัจจุบันันจโยธรมังเอาศีลสมาธิปัญญาลงลวนในปัจจุบันปัจจุบันพระสุวรรณามปัจจุบันพระพัคาธาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหันต์ปัจจุบันพระพุทธเจ้ามียิ่งยว่ากันนตาาามะะแแลลโหะ ปฏิพานและจิตใจของท่านจะตีปัจจุบันเสมอกันไม่ได้ปัจจุบันพระโสดาบันจะตีเสมอกันกับปัจจุบันพระสกทาคามีก็ไม่ได้ปัจจุบันพระสกทาคารีจะตีเสมอกันกับพระอนาคามีก็ไม่ได้ปัจจุบันพระอนาคามีจะตีเสมอการกับปัจจุบันพระอรหันต์ก็ไม่ได้ปัจจุบันพระอรหันต์สาวกสาวิกาจะตีเสมอกันเหมือนปัจจุบันพระปเจก็ไม่ได้ปัจจุบันพระปเจกจะตีฆ่าเสมอการเหมือนปัจจุบันพระอรหันต์พระสมมาสระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นันักนักมียิ่งยอนกว่ากัน นักทําเอกไม่มีป่ะโยชน์นี่ไา ย, ยกไม่ขึ้นหา ย, ยกไม่ขึ้นด้วยงันมันบ่ละฮะ น, น, น, น, นักแห่งทีสูงเตพยพคนเดียวเนี่ยมาเท่านักทํามเอกน่ะมันจ้งศึกษากันไงคนบริหารมันศึกษากันยากงั้นมีคนแท่งบ่ละเฮาโตนักทําเอกงั้นอืพิจารณาทุกเป็นอารมณ์ชาวนาไทยก็บันเทาไปในตัว มักก็จะเริย น, นไปในตัวนิโรธก็ทําแก้งให้ไปในตัวพิจาณาทุกแล้วกัพิจานาสมุทัยคือก็พิจารณมักล้วก็พิจารณาโรกนิโรธอันนั้นมันเรียงแบบนั่นชื่อของมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของมันพิจาณาทุกเป็นอารมณ์อยู่แล้วสมุทยัยความทะเยอทะยานในวัฏฏะสงสารก็เบาลงเมื่อความทะเยอทะยานในสงสารเบาลงมักก็จะเริยนไปในตัวคือภาวนามักมักคภาวนานิโรธก็ทําแก้งให้ไปในตัวนะ เข้าใจไหมทีนี้ถูกไหมล่ะแปดหมื่นที่พระธรรมขันไม่ใช่ว่าเป็นคนละอันก็อันเดียวกันก็ศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขา น, นี่นเองนัะอ๋อธรรมจกรักรกโพธินาสูตรพระบรมศาสตรามาเทศในรั้งแรกครบแปดหมื่นที่พระธรรมมาขันหรือไม่ก็รครบอยู่แล้วมีทั้งศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาชิกขาอยู่ในตัวแล้วชาติพิทุขาชร า, าพิสุขามาณพิสุขังเป็นรูปขัน หลวงเทวทุกโ ท, กทกนะก็ฝายาสามิตุาปเยสัมโยโคทุโขปเ ย, ป ย, ป ย, ยสัมโยโคทุโขยำปิจังนนะพิติมปิทุขังพูดเรื่องนามที่สัมพยศกันกับกิเลสที่นี้อัตถังคิโกมโคสยยะทิธังสัมมาทิฏฐิสมาสมาสังกปรไวยากรมัอาชีววยโมสติสมาธิมนก็เป็นศีลสมาธิปัญญาครบอยู่ในตัวแล้วสมัยแสดงสมจัอภวัตนสูตรนะมันเป็นสูตรที่เป็นธรรมาจักรสุเห็นเวงตาเห็นช้ำ หัวใจธรรมจักรกับวัฒนสูตรนี้อะไรว่าก็ยังกินเสียเสมอทัยธรรมงังทรพันตังนิโรธธรรมมันตินั่นหัวใจพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรพระโกนทันย์ก็เห็นอันนี้จังชัดนั่นนั่นนั่นนั่นเมื่อเห็นอันนี้จังชัดก็จึงสําเร็จพระสวสดาบันใช่ไหมนั่นภาษาอินบทุกขลาก็เห็นอันนี้จังชัดจึงสําเร็จพระสสดาบันใช่ไหมภูมิของพระสสดาบัน ไม่เสียดายอยากลวงละเมิดชินหาไม่เสียดายอยากกระถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากเล่นอบายามุข ค, คือเล่นเล่ห์ผาผาบัดบัดเบื่อเบือรู้ทุกชนิดผู้ดใดเสียดายอยากเล่นเลขเล่นผาเล่นบัดเล่นเบื่อไม่ใช่พระสวัดาวันยังไม่ใก้ยังไม่ใกล้เลยนั่งเอี่ยวมวันขายสมอหระอหมวกขายนอก นักยามเป็นเขียงยา้กับเป็นยับได้สิโนน้ามากับป็ฟักเขียงอันนั้นล่ะเขียงได้สีดี๋วมันกับฟักท่านละยับขีไก่มากับเปเซ็ปท่นละยับยังเดี๋มันกไปเซ็ไทบาทไปสันว่าไปไสบาทเราถอดเกิืแล้วผัดยังง่อยอยู่ถอดเกลือผัยังง้อยอยู่สันกว่าบางคนใจจะของสันทังนี้ไได้งิน พจนเทศนีะอานออก้ค่ะควปนอดังคุกเข้าสบาตเลยเสียเปียบที่เขาเสียเปียนังเอี่ยมเอียมบอดบอดเอนแคคุกเข้าส่บาตแล้วบาตรเนี่ยเสียเปี่ยนตั้งเอี่ยมมันจะคนทั้งฝุงฟังเทศออกแล้วังเอี่ยมมันกคนง่ายมนาโมตัวตังเอี่ยมมันดึงคนเข้ามาศาสนาได้หลายได้นั่งมนาโมไม่เสียดายอย่างร้อนละเมอ ไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราเลยทำไม阿าราัดาบทุตกะดาบทามมาบุตรจึงไม่สำเร็จพระสวสดาวันเพราะในเวลานั้นไตนาคมยังไม่มีเมืะอนั้นพระบรมศาสตราทัทรุใหม่ๆจึงนึกเห็นพระคุณของท่านที่เคยไปเรียนศึกษาอยู่รับท่านสมาบัตรแปลกสมาบัตรเจ็บจะไปเทศนาก่อนพอไปแล้วก็มียามได้ลึก ถ, ถึงเทวดามาบอก บอกว่าท่านวันละภาพไปแล้วเจ็ดวันแล้วโอ้ใช้ได้จริงใช่ได้จริงก็งเลยไปหาพวกกันจะวัเคียมากลางทางเ้าไปพบตับพุตตะปัทีิกะชะจาาพิษานา น, นี้อัพภูคาตึงนีทํามปิสั้งเทรัรกรนังวัญสังเอเตในสวัตวัติตสูตรอันนี้เป็นสูตรก็สวดาวันนี้ชะเว่าหกจาาพิานา น, น้ อภิษฐานโทษอย่างหนักหน้าตั่าฆ่ามันดาผีตัว่าฆาปีดานะครับจะฆ่าข่าประารโลหิตตบะทาลายพระพุทธเจ้าจึงยังโปร่งมีไฟห้องเป้นไฟสรรพเพศยังไม่ทรงแตกจากกันอันนีัพพุทเทพถือศาสตราอื่นไม่มีในพระโสดาบันนั่นผู้ใดถือศาสตาอื่นอยู่ก็ไม่สามารถจะถึงพระโสดาบันได้เหตุนั้นพระโมคัลลาสาบีบุตรจึงมาเลื่อมใสพระอัคกิจึงละสนชัยน้าตะบุตรมา จึงสมเร็จพระสรเดชวันนัดนัดนัดนัทุพัชะ ผ, ผู้บวดต่อแก่นในวันมหาปริณีพาเนเข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาศาสนะอื่นก็มีด่านอืน่นร่เถือถ้าว่าเขาไม่สรมาทยัญญาอุตสิของเขาเขาจะมีชุติชนโคนุชุติญาณสามีร่างหรือไม่รพระเจ้าข่ายาเลย่างลยาเลยแล้วไม่พูดเข้าข้างตัวแล้วพูดเข้าข้างคาธร ร, ร, รมาธิปไตย ากนารนะอนอื่นไม่าสามารถจะถึงจุดพุทธันโนถ้าไม่สามารถจะถึงจุดพุทธันโนแล้วอุตุใหญ่ก็จะมีจิตจะมาจากประตูไหนพูทธจะของศาสนาของเขาก็คือโลกีเราดีๆนี่เองเขาจะได้โรภุตระมาจากประตูใดล่ะหนักหนักนะคหนักหนัก ม, ามาหาปณานส่วนนะหนักเห็นฉะนั้นจึงว่าลักธิษอะไรก็ดีศาสนาใะไรก็ดีเป็นเรื่องขึ้นของศาสนาพุทธโดยมนตัวตัวฉะนั้น เชื้คลีจะมีกี่้านล้านก็ชื่้ปในทางขึ้นเงาโดยในรูตัวชันใดคาสอนใดๆก็เป็นเมื debut, เอนขึ้นคาสอนในคุณศึกษาเโดยมนรูตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผูรู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผ้รู้ไม่รู้นับนับนับนััเทียบในทางหรือึ้นเพให้คำเมื่ไรไรทางน้หงน้องคลองโบราณต่างๆอะไร่างๆมหาสมุในรูตัวชันใดคาสอนใดๆก็ได้ต้องสู่คาสอนในคุณศึกษาเนื้อโดยม่รูตัวชนนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้น เกซเอวันจูปิวัติทางโร่ากาลังจะท่าูต่างมีนาดจกคอาประชาังคธรชาติของศาสนคำสอนใดๆในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสนาหมดเพราะมันโลเกมันโลกีมันก็เป็นเมืองขึ้นของโลกตรธรรในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานทั้งนั้นมันเป็นเมืองขึ้นอยู่ในตัว